เมื่อนี่ก็เป็นมือวันที่ยนะี่สิบเก้าเมื่อวันบวเออยี่แปดเนาะที่ยี่แปดมมาก็เลยมาเป็นวัดก็เลยหลายสิ่งหลายอย่างก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราจะได้ปฏิบัติทำกันอีกวลาหนึ่งก็เพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกัน ก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําอย่างอื่นทําอย่างเดียวกันก็คือการที่พวกเรามาเจริญสติมาเจริญสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาเพราะว่าการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานั้นก็เป็นหน้าที่ของของชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธก็มีหน้าที่อย่างนั้นไม่มีหน้าที่อย่างอื่น ถ้ามีหน้าที่อย่างอื่นก็เป็นก็เป็นงานนอกงานอติเลกคือเป็นงานที่ไม่จําเป็นเป็นงานที่ไม่สําคัญงานที่สําคัญก็คืองานอย่างที่พวกเราได้ทํากันอยู่นี่ในธรรมได้พากันเจริญอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่างานสําคัญว่าเป็นงานที่ทําให้ทําให้คนนี่มาเป็นมนุษย์ทําให้จากเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเทวดา ทำจากเทวดาก็ให้มาเป็นพระอินทร์พรคมจนถึงขั้นพระฤาษีบุคคลหรือในที่สุดก็เป็นผู้ไม่มีทุกข์เป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สูงสุดที่พวกเราได้มาทําอยู่ในขณะนี้ก็เพื่อมาเพื่อสร้างสร้างคนสร้างคนเรานี่ให้ให้เป็นคนเสก่อนก่อนที่เราจะเป็นคนนั่นก็ คำว่าคนนี่มันหลงมันหลงหลงเพราะว่าทั้งๆ ท, ที่มีอยู่คอคนก็มีอยู่แต่แล้วก็เอาคอควายมาใส่แทนคอคนะเนี่ยมันหลงหอย่างงั้นแทนที่จะไม่ต้องมีนอหนูคำว่าคนนี่ก็เขียนตัวเดียวเลยคอคนก็คงจะไม่ต้องเอาใส่นอนหนูอีกแต่แล้วก็มีแต่เราก็เอาคอควายอานอนหนูมาใส่ ยืนยสงว่าเราก็เป็นเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเราได้มาประพืติปฏิบัติเราไน้มาสร้างคนสร้างคนให้เป็นมนุษย์ดังที่เราทำอย่างนี้เนี่ยลำพังคนเฉยๆเนี่ยยังยังใช่ไม่ได้ก็ยังหลงอยู่นั่นแหละเป็นคนหลงอยู่เป็นคนที่ไม่เต็มไม่เต็มบาทเป็นคนที่ขาดบาท เป็นคนที่สามสลึงหรือห้าจุดตะตางหรือหนึ่งสลึงก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะพูดกันยังเป็นคนอยู่แต่ว่าถ้าเรามาเจริญสติเราก็จะเลื่อนจากคนมาเป็นผู้รู้จากคนหรือรู้จากตนคนที่รู้จากตนเขาเรียกว่าเป็นเป็นมนุษย์ดังที่เขาว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงป็นไม่ได้เป็นได้อย่างอื่น ไม่ได้เป็นได้เพราะว่าบวชบวชนานหรือว่าหัวโล้นห่มผ้าเหลี้ยงหรือว่าเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งมีงานมีเงินมีข้าวมีของมีลูกมีเมียมีสามีภรรยาเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดไม่ได้หมายอย่างนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้น คำว่าคนในที่นี้หมายถึงว่าคนที่รู้จักตนเองนั่นแหละคือเป็นมนุษย์คือว่ารู้จักตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนอยู่ในสภาวะอย่างไรอย่างคนเท่าคนแก่ของเราเนี่ยเราก็รู้จักว่าเราอยู่ในฐานะของเป็นค น, คนเท่าคนแก่แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันสมกับว่าเราเป็นคนเท่าคนแก่นี่คือคือรู้จักตนารู้จักหน้าที่ของตนเอง บางคนไม่รู้จากหน้าที่นะคนเต่าคนแก่เขาไม่รู้จากหน้าที่ในฐานะที่ว่าเป็นคนเต่าคนแก่อาจจะไปดูอาจจะไปดูหมอลำหรือว่าดูหนังแต่ทุกวันนี้มันมีหนังอยู่ประจำบ้านอเอะไรว่าลงหนังลงหนังประจำบ้านก็คือพละทัศน์นั่นแหละคนเต่าคนแก่ก็ติดหนังติดเปาคนกินบางติดอะไรก็แล้วแต่ที่จะติดหนังที่เขา เขาเรียกว่าละครละครทางทางวิทาว ท, ทางทีวีหรือว่าทางโทรทัศน์รอดจากติดก็ได้คําว่าติดไปที่กหมายถึงว่าวันไหนไม่ได้ดูอไม่ได้ดูก็ขาดขา ด, ขาดนิทานคือกิจของเราไปติด <c oughs> ไปติดอย่างนั้นไปติดเหมือนกับเราที่เราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวที่เราเคยไปติดหมอลําติดหนังคือเราเรายังไม่รู้จักว่าสลระภาว ะ, ะสะภาวะที่มันมีอยู่ ในใจของเราเนะี่ยมันติดกันสะสมมานานแล้วเราก็ไม่รู้จักเราก็ไปหลงยังที่อื่นไม่ใช่ที่นี่วันไหนวันศิล์นวันศิล์นเวลาที่ขอ้อพันศานะปกติคนเฒ่าคนแก่เขาจะไปจำจาวัดนล้วไปจำศิลที่วัดแต่วันไหนที่มีมวยโลกถ้ามีมวยโลกตีก็ได้เลืองเลยถ้ามีมวยโลกเขาชกกันเขาต่อยกันแล้วก็วันนั้นได้เลือกละ ก็คนคือที่เคยไปจำศีนก็ขาดขาดไปแล้วขาดไปเพราะอะไรเพราะไปจำมวยโลกลืมศีนเะแล้วแทนที่ช่วงเขา้าพรรษาจะมาจำศีนตลอดพรรษาแต่วันไหนถ้ามีมวยมันมันมวยโลกมันต่อยหรือก็โชคกันตอนที่ที่ตรงกับวันพระนั่นเนี่ไม่มาซะแล้วนี่ก็แสดงว่าเราลืม ลืมสภาวะที่เรามีหน้าที่อย่างนั้นอทุกวันนี้เพื่อนกันชาวพุทธของเราก็ลืมกันลืมสภาวะหน้าที่ลืมอย่างไงคือลืมสติลืมสมาธิลืมปัญญาเราเห็นว่าการเจริญสติการทําสมาธิการเจริญปัญญานนะั้เป็นเรื่องเล็กเราไปเห็นสิ่งอื่นเป็นเรื่องใหญ่อย่างก่อสร้างอย่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อย่างกอ่อสร้างอย่างทําบุญอย่างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรที่เป็น ที่มันพอที่จะจะเด่นจะเห็นได้ง่ายๆ่าเห็นได้ง่ายๆคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุเป็นสาธะนว้วัตถุเห็นได้ง่ายๆส่วนศาสนธรรมนั้นเป็นของละเอียดเราก็ไม่เราก็ไม่อยากศึกษาเพราะมันเป็นของยากหรือถึงจะยากจะง่ายก็ถือว่ามันไม่สําคัญเราก็เลยไปสําคัญเอาในสิ่งที่ที่ไม่สําคัญอ่าในพระบิดาเขากรปรับอาบัติสุข ว่าสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรปรับด้วยปรบอบัติสุขไม่ใช่ว่ า, าปรับอวบัตเฉพาะพิสุขปรับไปถึงโยมด้วยเพราะโยมก็มีหน้าที่รักษาพระศาสนาก็คือไปเห็นสิ่งที่ไม่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญและเห็นสิ่งที่สำคัญว่าไม่สำคัญเนี่ยมันก็เลยพุทธศาสนาก็เลยเป็นเป็นพุทธพาณิชย ขายกันแกกกันบางคนก็ออกเหรียญไว้ขายกันแกกกันจองกันสั่งบูชาเหรียญสั่งบูชาวัตถุมงคลวุ่นไมหมดนั่งปกนั่งสมาธิปกพระคำว่าพระในที่นี้ก็หมายถึงว่าพระคือตัวพุท ธ, ธคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไม่ใช่วัตถุวัตถุนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งเปลียบ หรือเป็นสั ญ, ญลักษณ์สําหรับบคุคคลผู้ยังไม่เข้าใจแต่แต่ก็ไม่ให้มีมากอย่างวัดเรานี่ก็มีพระรูปเพียงองค์เดียวก็พอไม่ต้องมีไม่ต้องมีเยอะมีองค์เดียวไว้ตกะมีสลาองค์หนึ่งแล้วก็มีอ่าสิม ส, มสิมไม้องค์หนึ่งก็พอแล้วไม้ต้องเอามาหลายองค์เป็นสั ญ, ญลักษณ์เอาไว้กลาบเอาไว้เตือนใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายฉะนั้นเราคนเราก็เลยเป็นหลง หลงกันใหญ่ๆฉะนั้นเรามาที่นี่เรามาเพื่อไม่ให้หลงมาในฐานะเป็นผู้ผูร้รู้ถ้ารู้แล้วไม่หลงถ้าไม่รู้ก็หลงฉะนั้นที่พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาเจริญสตินี่แหละเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้ตัวเองคือรู้สภาวธรรมําว่าสภาวธรรมก็ไม่ได้ไหมายเอาเอาสิ่งอื่นไม่ได้ไหมายเอาตัวหนังสือ ไม้ในไม้เอาใบลานไม้ในไม้เอาตู้ค่อยไต่ปีดกอย่างนั้นไม่ใช่พระธรรมตัวนั้นมันเป็นตัว อ, อักษรเป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือีจริงๆคำว่าพระธรรมก็คือทอทอทหารสละอําทอทหารสละอาแล้วก็มีเลขศูนย์อยู่ข้างบนก็เรียกว่าธรรมคือธรรมตัวนี้นี่คือพระธรรมถ้าทําดีเป็นพระเป็นพระจริงๆ ไม่ได้หมายเอาว่าหโหัวล้หลมงพ่อเหลี่ยมหรือว่าอย่างอื่นอย่างอาตมาเนี่ยหรือผมเองนี่ก็ว่าเป็นพระหัวล้หลมผพ่อเหลี่ยมแต่ว่าการกระทํา ม, มันมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่งามแล้วจะถือว่าพระไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่ถูกอ่ะมันเป็นหลงแเราค่อยๆยินไดยินข่าวพระสงฆ์ตัววันนี้ก็มีเรื่องอ่มีเล่าหลายๆอย่าง เราจะได้อ่านหนังสือกิมบ้างหรือว่าดูทีวีดูโทรทัศน์เดยกก็เป็นบางองค์ไม่ใช่หมดเถ้าพระที่แท้จริงนั้นพระในทางพุทธศาสนานั้นก็คือพระคือผู้รู้ผู้รู้กับผู้ตื่นกับแล้วก็ผู้เบิกบานแล้วก็ได้ทำพระตัวนี้คือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ทํารัดอยู่ว่าพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นคำพูด เป็นภาพปริยัตแต่ว่าภาพปฏิบัตินั้นอยู่ที่เราอย่างพวกเรามาเจริญสติอย่างนี้มาทํามาหลายวันแล้วยกมือสร้างจังหวะนี้นี่เรารู้ไหมเรารู้สึกเราสัมผัสกับการยกไหมแต่ไม่ใช่บรรู้จําแต่รู้จําก็รู้อยู่รู้จํานี่ก็เป็นเป็นที่สิ่งที่เราจะลงรู้อย่างอาจะมาแล้วพูดนี่หรือว่ากล่าวทะทําอยู่ตรงนี้ยกก็จําเอานี่เป็นเป็นคําคำำําจําแต่หลักปฏิบัตินั้นไม่ได้จํา ไม่ได้จำเป็นการสัมผัสสัมผัสด้านจิตใจเรามือแต่แคงไว้ที่หัวเขา่าเราก็รู้เรายกขึ้นเราก็รู้รู้สัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสเขาเรียกว่าวิญญาณก็ได้เขาเรียกว่ามโนสังเกตปยาอาหารคืออาหารทางทางจิตใจคือเอาตัวสติเอาตัวคมรู้สึกนี้สัมผัสด้านจิตใจ ถ้าจะพูดถึงจิตใจเราจิตใจมันก็ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีรูปร่างที่ที่จะไปมองเห็นได้ด้วยด้วยตาหรือว่าด้วยอะไรทั้งหมดมันเป็นแต่เพียงคําพูดคําสมมุติขึ้นมาก็เลยเอากายนี่แหลยเป็นเครื่องหมายเอากายของเรานี่เป็นเครื่องหมายเขาเรียก ว, ว่ารูปประทับเอาพรูปประทับนี่เป็นเครื่องหมายเอานา ม, มาทำนี่เป็นเป็นการสัมผัสเขาเรียก ว, ว่ารูปนาม เรียกว่าลภนามรวมหมดจะเป็นจะเป็นมือจะเป็นแขนจะเป็นเท้าเป็นขาเป็นอะไรก็แล้วแต่สำหรับอวัยวะของคนเรานี่รวมเรียกว่าลูกลูบธรรมรูปธรรมคำว่ารูปธรรมก็หมายถึงว่าการเคลื่อนไหวเราจะเดินยำกมพอดีสร้างจังหวะพอดีนี่คือรูปธรรม สิ่งที่รู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่รู้ว่าอลูกกาลังเคลื่อนกําลังไหวกําลังเดินอกําลังไปกําลังมากําลังกําลังดื่มกําลังเคี้ยวกำลังฉันนั่นแหละที่เข้าไปรู้ในในสิ่งเหล่านี้น่ะเขาเรียกว่านามธรรมาเขาเรียกว่าลูกธรรมนามธรรมเนี่ยถ้าเราสัมผัสได้อย่างนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมขั้นต้นถ้าเราสัมผัสได้อย่างต่อเนื่องอคือเฮ็ดไม่หยุด คือทำไม่หยุดการปฏิบัติธรรมคือทำไม่หยุดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคือทำไม่หยุดนั่นแหละจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ทำไปเรื่อยๆคือทำไม่หยุดเหมือนกับหัวใจของเราเนี่ยไม่เคยหยุดเต้นถ้าหัวใจของเราหยุดเต้นหยุดทำงานเสร็จเลยเรียกว่าคนตายคนตายนี่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืน พูดก็ไม่พูดเข้าก็ไม่กินด่าก็ไม่ด่าก็ไม่ขอดทำอะไรก็ไม่ทำอะไรคือคือมันหยุดเืลม่นเป็นของตายอย่างแม่น้ำมันกันถ้าแม่น้าแม่น้ำไหนที่มันไหลอยู่ตลอดเขาเรียกว่าแม่น้ำป็นถ้าแม่น้ำไหนที่ไม่ไหลเขาเรียกว่าแม่น้ำตายใจของเราก็มันกันเนี่ยร่างกายของเราก็มันกันนี่มันไม่ได้หยุดมันทำงานอยู่ตลอด แทรกการปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่ต้องหยุดก็คือทำไปเรื่ อ, อ, อยๆจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างขออย่างเดียวว่าไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหวของกายของเรานี้เพลื่อนอยู่ตลอดทำงานอยู่ตลอดประสาททุกประสาทก็ทำงานอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทำงานไปเรื่อยๆนั้นมันไม่ได้ เราต้องอาศัยสิ่งที่มันมีอยู่กับเราเนี่ยแหละอย่างลูกก็ดีลูกของเรานั่งตรงนี้ก็ดีอย่างแขนอย่างขาอย่าง อ, อย่างมืออย่างยอย่างอะไรก็แต่จมูกเมื่อนัเราต้องมากำหนดรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคือมาศึกษาที่ตัวเรานี่คือการปฏิบัติธรรมมาศึกษาที่นี่ไม่ต้องไปศึกษาที่พระไตรปิฎก อ่นี่เขาเรียกว่ากรร ม, มาฐานกรร ม, มาฐานแปลว่าดูเข้ามาใกล้ตัวเราถ้าเรายังไปอ่าดูว่าใจปิดกหรือยังไปเรียนไปท่องไปจําอยู่เขาเรียกว่ามันนอกตัวมันนอกตัวเรียนก็ไม่จบยัางว่าใจปีดกนี่พระสูตรพระพธรรมนี่พระวินัยนี่สามปีดกนี่เขาเรียกปิดกปิดกสามนี่เราเรียนไม่จบเพราะมันมีเยอะ มีตั้งเท่าไหร่แปดหมืนสี่พันพระธรรมคันเรื่องเราเรียนไม่จบเขาเรียกว่าไม่ใช่กรรมฐานคำว่ า, ากรรมฐานนี้ก็คือเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆตัวเอาเฉพาะเอาเฉพาะเวลาเรายกมือขึ้นแล้วก็รู้เฉพาะว่าเรายกมือขึ้นเวลาเราเอาเข้ามาที่ที่เสื้ดือเราก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มือของเราอยู่ที่เสื้ดือคือการสัมผัส เวลาเราเมื่อมือซ้ายทับมือขวาเรารู้จักว่าเมื่อซ้ายทับมือขวาด้วยการสัมผัสคือรู้ในตัวรู้ในอินทรียบุตรที่มันเคลื่อนมันไหวมันไปมันมามันเดินมันมันเดิ น, นก็รู้มันยืนแล้วกว็รู้มันนิ่งแล้วก็รู้คือรู้สัมผัสอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานรู้เฉพาะไม่ได้รู้เรื่องอื่น แล้วก็ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่จำเป็นจะต้องอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือนั่นก็เป็นความรู้น อ, อกตัวเดี๋ยวนี้เรามาทําเฉพาะในในใกล้ๆคือในตัวของเราทำกรรมฐานให้มันเกิดขึ้นถ้าเราทําไปบ่อยๆทําไม่หยุดเขาเรียกว่าเป็นการต่อเนื่องในการจเจริญสติคือไม่ขาดสายเหมือนกับไฟฟ้าของเราก็เป็นงย่างนี้มันไม่ได้หยุดมันก็วิ่งมาอย่างนั้นเหี่ถ้าสายมันขาดมันก็ขาดสายไฟมันก็ดับ เมื่อไฟดับแล้วมันก็ใช้ไม่ได้มันก็มืดฉะนั้นร่างกายของเราก็เหมือนกันสภาวะธรรมที่มันมีอยู่กับเราก็เหมือนกันเราต้องทําไม่หยุดทําไปเรื่อยๆอยมันทําได้ทั้งนั้นเราจะกินเราจะเคี้ยวเราจะชันเราก็มีสติกำหนดรู้เราจะเข้าห้องน้ำเราก็มีสติกำหนดรู้ไม่ใช่เฉพาะจะมาเดินจมกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวเราจะไปไหนมาไหนล้วก็สัมผัสได้ คือการสัมผัสเขาเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันไม่รู้มันก็จะรู้ขึ้นมาเองต า, อตามธรรมชาติตามธรรมชาติก็เลยพัฒนาตัวเองตามธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคำว่าทรรมกรรมฐานก็หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวทอทหาร ทอทหารรอเรือรอเรือมอมาตัวนี้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าธรรมชาติคําว่าทอทหารแต่ละอํานั้นสิ่งที่มันทําให้มันมีมีขึ้นมากกว่าที่มันมีอยู่แล้วนี่คือทํากรรมฐานมันก็จะรู้ไปเองของมันตามธรรมชาติรู้กลุ่มรู้สึกอย่างนี้แหละที่เราทําอย่างนี้เนะี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าตามหลักภาษาธรรมะเขาเรียกภาวะนาเขาเรียกว่า ภาวนาสมถภาวนาหรือว่าวิปัสนาภาวนาคือให้มันมากขึ้นให้มันไหลายขึ้นไหลายขึ้นไหลายขึ้นตามธรรมชาติสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมันน้อยเมื่อเรามาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับน้ํามันน้ําฝนเนี่ยที่มันตกในตุ่มที่แรกมันก็ตกทีละเม็ดสองเม็ดสามเม็ดมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็เต็มโดยที่เราไม่ต้องตัก ตักมาใส่โอง่งใส่ตุม่มเพียงแต่เราเอาภาชนะไปลองไปลองรับไปเท่านั้นผลมีหน้าที่ตกไหลลงตุม่มไหลลงโอง่งลงกระถางเต็มไปโดยอัตโนมัติถ้าผลตกไม่หยุดการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันถ้าเราทําไม่หยุดทําไปเรื่อยๆนั่นแหละสิ่งที่ไม่รู้มันก็จะรู้ขึ้นมาเองหรือสิ่งที่มันรู้อยู่แล้วมันก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นตามปัจจิยาการตามสภาวธรรมที่เราสร้างขึ้นมา ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลไม่ต้องว่ามันจะรู้ยังไงมันจะเห็นยังไงมันจะทํำยังไงเราไม่ต้องไปนึกถ้าเรานึกอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นเขาเลยว่าเราเรายังนอกตัวอยู่ยังหาความรู้นอกตัวอยู่คํ้ามาหาในตัวก็คือหาใกล้ๆสัมผัสใกล้ๆดูใกล้ๆเห็นใกล้ๆกลคมคิดก็เหมือนกัน เมื่อเรารู้จากรูกทำนามธรรมอย่างชัดเจนแล้วแล้วเราก็จะลูรู้อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลูกโลกนามโลกเนี่ยคือคื อ, ค อ, คอหลักที่ที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นระยะเป็นขั้นตอนของมันเองอย่างอาจารมาพูดนี่ก็เป็นเฉพาะคําพูดไม่ใช่ว่าพูดให้รู้นั่นนี่พูดให้จําไปก่อนพูดให้ญาติโยมนี่ญาติปฏิบัติทำเนี่ยจาไปก่อนจําไปก่อน แล้วสิ่งที่จะรู้นั้นรู้จากความจำรู้จากการสัมผัสนี่เนะี่ยจะรู้เฉพาะตัวเองเขาบรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสเองเพราะว่าคนเรานี่มันมีตัวของตัวเองมีรูปกับนามเขาเลยว่ามีกายกับใจไม่มีใครที่จะไปรู้ใจของใครว่าคนนี้คิดอย่างนั้นคนนี้คิดอย่างนี้ ญางอาตมานี่ก็ไม่ก็ไม่รู้จักว่าใจญาติโยมเป็นยังไงไม่รู้จักว่าคิดยังไงแม้แต่ญาติญาติโยมก็ไม่รู้จักใ จ, ใจอาตมาว่าเดี๋ยวนี้กําลังคิดยังไงไม่รู้จักเพราะเมื่อต่างกิตต่างใจเมื่อต่างกิจต่างใจอย่างนี้ก็ได้ว่ารู้ได้เฉพาะตัวเองเพราะว่าระดับกิตของคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันบางคนก็มีกิดเจแบบหยาบบางคนก็มีกิจละเอียดฉะนั้นต้องมาฝึกเสียก่อน มาฝึกให้มันรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสัมผัสเองสัมผัสเบาเรู้เบาเบาแต่รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้หนักถ้าเรารู้หนักๆมันก็ไม่ได้พระวัยใจของเราอ า, อาจจะไม่เอาก็ได้ใจของเราเนี่ชอบชอบเบาๆชอบสัมผัสเบาๆแม้แต่คำพูดที่เขามาพูดให้เราฟังนี่ก็ขอให้พูดบันหวานให้หวานหูให้หวานหูหวานใจถ้าพูดถ้าเราพูดกระทบกทั่ง พ, พูดแดกพูดดันใจของเรามันก็ไม่ยอมรับพูดอย่างนั้นรับไม่ได้ไม่เอามาด่าผมเนี่ยอย่างคนติดบุหรี่ใช่ไหมล่ะคนติดบุหรี่คนติดเล่าเนี่ยมีพระไปบอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีกินเล้ามันไม่ดีใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ยอมรับเพราะาใจไม่ชอบเนี่ยฉะนั้นใจนี้จึงชอบของเบาๆสัมผัสเบาๆการสร้างจังหวะก็เหมือนกันสร้างเบาๆรู้สึกเบาๆ รู้ได้นิดรู้เบาๆอย่าไปรู้หน่ะการเดินจำกลุ ít, ล่มก็เหมือนกันเดินเบาๆเดินมาเบาถึงเราจะเดินหนักๆแต่ว่าไม่ให้มีความรู้สึกเบาๆคือรู้อย่างไม่เอารู้อย่างไม่เอาอะไรเพียงแต่รู้เฉยๆรู้เฉยรู้เบาๆรู้เฉยปฏิบัติไปเรื่อยๆอทําไปเรื่อยๆมันจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างมัน ขอว่าทาไปเรื่อยๆทาด้วยความไม่อยากเรียกว่าทำซื่อๆอย่าไปอยากมันอย่าไปอยากรู้อย่าไปอยากเห็นอย่าไปอยากเข้าใจทําไปซื่อ ๆ, ๆทําไปตรงๆทําไปซื่อๆทําไปตรงๆเมื่อเราทําอย่างนี้แล้ว <นะ S 1> มันก็จะรู้สึกเบาๆสัมผัสเบาๆกับใจของเราใจของเราก็จะเริ่มเสื่อมเข้าไปกับกับสิ่งที่เราทำอยู่นี่แหะเบาๆนี่แหละทอไปของละเอียด ของละเอียดนี่กอ็อยู่กับของละเอียดเชื่อมเข้าไปเชื่อมเข้าไปทาเข้าไปเหตุเข้าไปทำเข้าไปสร้างเข้าไปในที่สุดมันก็จะเชื่อมเข้ากันสนิทเป็นของเดียวเป็นของอันเดียวกันก็คือลูป ก, กับน้ำลูปทำยังไงน้ำก็เข้าใจอย่างนั้นคือไม่ได้แยกกันก็ไป ร, รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเป็นหนึ่งเดียวแล้วเขาก็เรียกว่าจิตที่เป็นหนึ่งเป็นจิตที่มีพลัง จิตที่เป็นหนึ่งเป็นจิตที่เป็นสมาธิคําว่าสมาธิก็ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาพุทโธธรรมโมสังโอะไม่ใช่อย่างนี้คําว่าสมาธิในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงว่าสมาธิคือจิตที่เป็นหนึ่งอาจจะดํานาอยู่ก็เกี่ยวข้าวอยู่เดินจมกรมอยู่กินข้าวอยู่เรียนหนังสือสอนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตมันเป็นหนึ่งคือจิตมันไม่วุ่น คำว่ากิจไม่พุ่นก็คือกิจที่ไม่มีโทสะไม่มีโลภะไม่มีโมหะนี่คือกิจที่ไม่พุ่นคือกิจที่เป็นสมาธิถ้านั่งหลับตาหลับตาอยู่แต่กีก็คิดโกรธคิดเครียดคิดซูลคิดถึงคนโน้นคนนี้อยู่ถึงจะนั่งหลับตาบนพุโทโธพุทโธอยู่ก็ไม่ใช่ว่ากิจคนนั้นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิก็หมายถึงว่ากิจที่เป็นหนึ่งกิจที่เป็นหนึ่ง กิจที่เป็นหนึ่งปิดเป็นกิจที่มีพลังเป็นกิจที่มีพลังคือรวมกันเป็นหนึ่งอย่างเรามาจเจริญสติเมื่อกันรูปกับนามนี้รวมมาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวคือนามทำรูปทำนามทำรูปทำนามทำคือรู้ไปพร้อมรู้ ร, รู้ทั่วพร้อมเราเดินแล้วก็รู้แล้วก็สัมผัสเบาๆรู้รู้รู้อยู่เห็นอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดว่ากูจะรู้เลยนะ กูจะทําแล้ว น, นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือรู้สฉพาะภายในรู้สัมผัสเบาๆคือไม่ได้กดถ้าเรากดนี่มันมันจะเกง่งเกง่งนั้นเราจะปวดหัวปวดหัวแล้วอาจจะเป็นฟุ้งซ่านก็ได้อาจจะไม่เอาก็ได้ฉะนั้นการสรัมผัสอันสตินี่จึงเบาๆทำเบาๆรู้เบาๆไปก่อนอย่าไปรุน่ะเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเราทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็รับรองว่าที่มาปฏิบัติที่นี่ก็คงจะมีความรู้เพิ่มเติม ก็คือมีสติมีสติเพิ่มเติมขึ้นมีสมาธิเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็มีปัญญาเพิ่มเติมขึ้นคาว่าสติสมาธิปัญญานั้นมารวมกันก็เป็นผู้รู้นั่นเองมาเป็นผู้รู้มาคือเป็นหนึ่งคือเป็นธรรมหมวดเดียวกันคือเป็นธรรมหมวดเดียวกันคือเป็นธรรมที่มีพลังถ้าขาดสติสมาธิก็ไม่เกิดถ้ากินของเราไม่เป็นหนึ่งแล้วปัญญาก็ไม่เกิด ฉะนั้นขั้นบันไดแรกหรือวาระแรกเราต้องมาทํำพรมรู้สึกตัวเสียก่อนมาทํำพรมตัวนี้ก่อนก็คือการเจริญสตินี่ขั้งแรกอย่างที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยนี่ยแหละบันไดขั้งแรกเราต้องผ่านบันไดตรงนี้เสียก่อนเข้าใจตรงนี้เสียก่อนว่าการเจริญสตินั้นคือทําอย่างไรหมายถึงอะไรถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่เข้าใจ ก็อย่าไปพึ่งว่าเรามีสมาธิอย่าไปพึ่งว่าอย่างนั้นเราต้องเอาตัวนี้ให้มันก่อนแต่งั้นในที่นี่ท่านยังให้เจริญอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ้าใครมาใหม่บุคคลที่มาใหม่ก็ทาอย่างนี้บุคคลที่ทำมาหลายปีแล้วก็ทำอย่างนี้ทำแบบเดียวกันนี่มีการเดินจโกมสร้างจังหวะอย่างเนี้ยไม่ได้ทำอย่างอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่ทำอย่างอื่น มาเดินจมกรมอย่างเดียวกันนี่จะใหม่หรือเก่าก็ทำอย่างเดียวกันนทำอย่างเดียวกันทำเหมือนกันทำอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำมีระบบมีระบบไหมแต่ว่าทำอยู่ในแนวเดียวกันไม่ได mm. ้ทำอย่างอื่นบางคนเพื <t <t ่อนผงเดินจมกรมจะของมาอ่านหนังสือบางคนเพื่อนผุนเดินจมกรมจะของมาคุยกันมาคุยกันมาสนทนากันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อยู่ไม่อยู่ในระบบไม่อยู่ในแนวเดียวกัน ถ้าอยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในการกระทำเดียวกันก็คือว่าทำอย่างเดียวกันไม่ว่าคนเก่าคนใหม่ก็แล้วแต่บางคนโอ้คนโอ้ผมเป็นคนใหม่ผมเป็นคนเก่าผมเป็นคนเก่าไม่ต้องทำก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ต้องทำเหมือนกันเท่ามาที่นี่เรามาปฏิบัติไม่ได้มาเป็นครูบาไม่ได้มาเป็นอาจารย์ให้มาเป็นผู้ปฏิบัติร่วมกันไม่ได้ถือว่าเป็นครูบาเป็นอาจารย์ไม่ต้องถือว่าเป็นคนใหม่คนเก่า ไม่ได้เคย อ, อย่างนั้นมาที่นี่มาทำอย่างเดียวกันไม่โอ้ข้าเป็นอาจารย์เว้ยข้าเป็นนักเทศเว้ยไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติทาแล้วกินแล้วก็นอนดูญาติโยมปฏิบัติทำแล้วก็คุยกันโซเลกั น, เ ร, น, นเรื่องนั่นเรื่องนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีระบบเมื่อไม่มีระบบแล้วก็ไม่ไม่มีระเบียบเมื่อขาดระเบียบแล้วก็ไม่มีวินยัยแน่นอน ไม่มีวินัยแน่นอนมินัยไม่ใช่ว่าไปเรียนต้องจะตามหนังสื อ, อ่วินัยก็คืออยู่ในในระบบและในระเบียบถ้าขาดระบบแล้ว ก, ก็ไม่มีระเบียบเมื่อมีวิระเบียบแล้วก็ไม่มีวินัยฉะนั้นการปฏิการทําความรู้สึกตัวอย่างนี้แหละเราจะไปรู้จักว่าระบบระเบียบแล้วก็วินัยไม่ต้องอย่างนี้มีวินัยในตัวมีระบบในตัวมีระเบียบในตัวจะอยู่ที่ไหนก็ได้ พุทธเจ้ายังบอกว่าสงสาว่าของพระผู้มีพระเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วไม่ได้หมายว่าผู้เรียนผู้เรียนดีแล้วผู้ปฏิบัติดีแล้วนั่นคือสงสงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเมื่อรู้ดีแล้วก็รู้ตรงคือรู้ไม่ผิดคือคือรู้อยู่ในระบบจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเหยียดจะคู่จะเคลือ่อนจะไหว จะเอียงซ้ายแล้วขวากะพิษตาหายใจอาปากรู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้มีระบบรู้แบบกรรมฐานคือรู้ตัวเองไม่ได้ยึดไม่ได้รู้อย่างอื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องคือไม่ขาดสายนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้แบบมีระบบแล้วก็ตัวของเองเราก็จะ อ, อจะมีระเบียบมีระเบียบเมื่อมีระเบียบแล้วก็มีวินัยมในในีวินัยในตัวไม่ต้องไปไปอย่างศิลนอย่างยนี่ ก็ไม่ต้องมาขอจากพระพระไม่มีหน้าที่จะให้สินโยมเพราะพระก็มีสินสองร้อยีิบเกศข้อข้อวัดปฏิบัติของพระก็มีแค่นั้นถ้าโยมมาขอขอสินห้าพระให้ไปสินสองรอยีิบเกศมันก็ขาดแล้วถ้าขอสินแปดขาดไปอีกแปดข้อถ้าขอสินสิบขาดไปแล้วสิบข้อเหลี้ยสักไรมันก็เลี้แค่สองร้อยเท่าน